กินยานะครับไม่กินข้าเบื่อที่จะกินยาแล้วไอเอ็นเอ้ยดูสิกินที่เป็นกำกำกินไปทําไมกันละ่ะข้าไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอยาจะช่วย <c oughs> รักษาอาการของแม่ยังไงล่ะครับ <c oughs> รักษาอะไรข้าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็แม่อายหนักขนาดนี้แล้วแม่จังบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกล่ะครับข้าจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมัน แม่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเหรอพระเจ้าเหรอไอเย็่มครับพระเจ้าทรงบรรดาทุกอย่างให้เราได้ขอเพียงให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งนั้นจริงๆครับแม่แต่ข้ามุ่งมั่นมาตั้งนานแล้วมุ่งมั่นที่จะได้เจอไอ้ยิ่งลูกชายคนโตของข้าข้าตั้งจิตภาวนาขอให้พระเจ้าทรงเห็นใจแล้วบรรดาให้ไอ้ยิ่งกลับมาหาข้าแล้วดูสิเนีย่ย ข้าภาวนามากี่ปีแล้วตั้งแต่เองยังเด็กตัวกระเป็กจนตอนเนี้เองโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไอ้เย็นข้ายังไม่เห็นไอ้ยิ่งมันกลับมาเลยนะข้าไม่เชื่อแล้วไอ้ยิ่งของข้าตายไปแล้วข้าจะต้องตายเพื่อไปหาไอ้ยิ่งของข้าให้ได้แม่ทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้ล่ะข้าพูดจริงๆนะไอ้เย็นตอนเนี้วิ ญ, ญญาณของไอ้ยิ่ง มันคงจะรอรับข้าอยู่บนฟากฟ้าแล้วล่ะข้าอยากไปอยู่กับไอ้ยิ่งได้ ย, ยังไเน่ยข้าคิดถึงไอ้ยิ่งเหลือเกินคิดถึงใจสขาดอยู่แล้วไอ้ยิ่งอยู่ไหนมารับข้าไปด้วยสิข้าไม่อยากอยู่บนโลกใบ น, นี้แล้วล่ะอย่าพูดจังนิสครับแม่ผมขอว่าและแม่ผมอยากอยู่กับแม่นานๆ น, น, นะครับ แม่จะทิ้งผมกับพ่อไปเลยนะครับไอเยนไอเยนครับมาเอ็งโตแล้วนะเอ็งอยู่กับพ่อเอ็งไปเหอะเอ็งช่วยงานในไร่ในนาได้แล้วพ่อของเอ็งก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วมีเอ็งเอางานเอาการคงหนึ่งแล้วส่วนพวกพี่ๆของเอง็งที่มันทำตัวเกเรไปเรื่อยๆนั่นนะ่ะปล่อยมันไปเหอะอีกหน่อย มันก็คงคิดเองได้แหละผมไม่สนใจพวกเขานั่หรอกครับแม่อยากเกเลียดก็เชิญตามสบายแล้วกัน <S <S <ess> พวกเขาก็ดีกว่าเยอะแล้วนะรู้สึกหรือเปล่าล่ะไม่รู้สิครับผมไม่เคยไว้ใจพวกเขานั่หรอกครับแม่ในสาตาพวกเขาผมก็เหมือนกาฝากเป็นลูกน้องอยู่เลย่ะ <S ess> ข้าผิดเองและไอ้เย็นม่ผมเสียใจนะครับ <S <S <ess> <S ผมไม่ควรพูดแบบนี้แม่ได้ยินอีก ผมก็โทษครับแล้วเอ็งจะมาขอโทษอะไรข่าล่ะก็ผมพูดเรื่องมีเมียน้อยไงล่ะแม่ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นะ่าน่ะเป็นเมียน้อยของพ่อเองจริงๆนี่นะแต่ว่าเมียเก่าของพ่อตายไปก่อนที่แม่จะรู้จักกับพ่อนะครับแม่ไม่ได้แย่งผัวของใครนะครับจะต่างกันตรงไหนล่ะระหว่างการตายหรือไม่ตายเนะ่ะถึงยังไง พ่อของเราก็ยังมีลูกกับเมียเก่าอยู่แล้วนี่นะแม่แต่งงานกับพ่อเองโดยไม่ถามใจของลูกๆเมียเก่าของพ่อเองเลยไม่เคยนึกเลยว่าพวกเขาจะต่อต้านค่าไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะไม่มีวันยอมรับค่าแม้ว่าข้าจะทำดีกับพวกเขาแค่ไหนก็ตามแล้วข้าก็ไม่เคยหวังด้วยว่าการทำดีของข้า จะต้องได้รับผลดีตอบจากพวกมันไม่เคยนึกเลยจริงๆข้านึกอยู่อย่างเดียวว่าข้าทําดีพระเจ้าเห็นพระเจ้าเข้าใจสักวันหนึ่งพระเจ้าทรงเมตตาข้าอย่างแน่นอนดีครับแม่คิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะครับเยนเอ๊ะใครมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านนะแม่ออกไปดูที่ระเบียงสิครับแม่เยนเฮ้ นนอ๋อพี่ฝนแม่พี่ฝ น, นมานะ่น้าฝนมาเหรอครับแม่ผมไปเรียกพี่ฝนขึ้นมาบนนี้ก่อนนะครับแม่พี่ฝนฝนอยู่บนบ้านครับเชิญครับ สวัส ด, ดีจ้าพี่ฝนมาจากไหนแล้วเนี่ยยังสวมทุดนักศึกษาอยู่เลยนะเนี่ยมาจากกรุงเทพนะจ๊ะโอ้มาชุดนิสิตนักศึกษาเลยเลรอเนี่ยก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านี่นาพอมาถึงก็ตรงมาบ้านเย็นเลยนะเนี่ยขอบใจมากเพ่ป้าเป็นไงบ้างละ่ะบอกไม่ถูกหรอกค่าทางหนักกว่ากก่าวอีกแนะ่พ่อก็เปลี่ยนไปเยอะภาคเลยอะแล้วจ๊ะอืมงั้น พี่ขอขึ้นไปเยี่ยมป้าก่อนได้ไหมได้อยู่แล้วล่ะเชิญครับพี่เชิญขอบใจไปจา้ะ ใช่พี่ไปตาลาดหาซื้อโมบายมาติดเวลาลมแรงๆพัดผ่านมาจะดด้นเสียงกรุงกริงกรุงกริงแม่ผมจะได้ไม่เสียงซะ ก, ก่อนนะพีม่มันก็จริงของเธอนะเย็นทำให้บรรยากาศน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยและหลังบ้านมีต้นพุทรารกชอบบินมากินลูกพุทราส่งเสียงร้องเสียงแทบไปหมดก็ดีไปอีกแบบนึ่น <c oughs> นงละพี่ใช่เลยและยังมีไก่ร้องกระตา <c oughs> กะตากด้วย <c oughs> มันออกขายก็จะร้องนะพี่นั่นแหละได้บรรยากาศบ้านต่างจังหวัดจริงๆเลยนะเนี่ยพี่ไปเรียนกรุงเทพมาอยคิดถึงบ้านของเราไม่ได้สักทีหนึง่งอยากเรียนจบไวๆและรีบกลับมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเรานนะ่าดีใจแทนชาวหมู่บ้านของเราจริงๆเลยที่มีคนมีความคิดความอ่านที่ดีอย่างพี่ฝนขอบคุณครับพี่จ้ปเข้าไปเยี่ยมป้ากันเถอะคครับพี่ฝนไอเย็นเอ้ยไหนล่ะ ไหนบอกว่าน้ำฝนมายังไงล่ะมาแล้วครับแม่พี่ฝนเดินเข้าไปหาแม่แล้วล่ะครับเหรอเหรอนหนน้ำฝนอยู่นะสวัสดีค่ะป้าน้ำฝนจริงๆด้วยข้าดีใจเหลือเกินที่เองกลับมาป้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็เจ็บอดอดแอดแอดอย่างที่เองเห็นนั่นแหละ สั่งแดดยิ่งมันหายสาบสูญไปข้าก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆป่วยมาโดยตลอดไปหาหมอก่อนแล้วกินยาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณกินจนตับไตใสพุนจะพังแล้วล่ะมั้งไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยําร้ายยังดูหนะก่เก่าอีกนะ <c oughs> <c oughs> สงสัยว่า จะถึงเวลาแล้วละมั้งถึงเวลาแล้วเหร อ, หรอจ๊ะป้าก็ถึงเวลาที่ไอ้ยิงจะมารับข้าไปอยู่ด้วยแล้วนะสีน้ำฝนป้าคุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัย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 ว่ารักฉันหมดหัวใจเธอบอกว่าเธ ไป วางหมดกำลังใจอย่าเพิ่งยอมพ่ายแพ้ก้าวเดินต่อไปอีกไม่นานตะวันจะขึ้นมาสาดแสงสองทางให้เห็นจะเห็นถ้าเพียงแค่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 กลัวไม่อยอมจะลืม ลัวหากว่าลืมตาจะตื่นขึ้นมาแล้วพบกันแสงที่กำลังหมอดำดงวงตะวัน เช่นไรถ้าหากกลัวไม่ยอ เธอเพื่อฉันพลาดบางงานฉันทางเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยและฉันคนนี้ก็ไม่ที่พลาดไปใส่ว่าชีวิตจะดีจึาางา น, นสักเท่ไหร ไม่อยากให้ทางมันไม่น่ารู้เท่าไรไม่ใช่เรื่องจำเป็นของเราวันวานยังคืนย้อน ม, มาไม่ได้และวันพรุ่งนี้ไม่รู้แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียว ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมากขอจงอย่าเป็นกันวงวลไม่คิดคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิด ไม่รู้แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักแค่เดียวไม่ว่าจะเคยเป็นใครจะานะไรมาขอจงอย่าเป็ น, นวน ค, คนของเธ อ, เอจะ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 เสียใจจ้ะฝนไม่อยากได้ยินป้าพูดอย่างนี้เลยป้าจะคิดได้ไหมเอ็งบิลรว่ะข้าอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จะทํายังไงได้ล่ะในเมื่อข้าคิดถึงไอ้ยิ่งมันเหลือเกินนี้นะมันคงจะตายหรอข้าอยู่นานแล้วยังไงข้าก็ต้องตายเพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนไอ้ยิ่งแน่ แม่ครับ <c oughs> ผมว่าละอยา่าคิดอย่างนั้นอีกเลยนะแม่ไม่มีแม่แล้วเนีผมจะอยู่ยังไงล่ะแม่ไอ้เย็นเองเป็นผู้ชายเองโตแล้วอีกหน่อยเองก็มีเมียแล้วเองก็ต้องอยู่กับเมียเองจะมาหวังอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตได้ยังไงละ่ะฮะไม่รู้ละแม่ยังไงแม่ก็ต้องอยู่กับผมไม่ว่าอนาคตผมจะมีเมียหรือไม่มีก็ตาม ผมก็ไม่มีวันทิ้งแม่เด็ดขาดครับขอบใจแต่อย่าเลยข้าต้องไปแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะไปอยู่กับไอ้ยิ่งไม่นะแม่แม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะแม่ขอเองอยู่ไหนล่ะไอ้เย็นพ่อไปดูแปลงถัเขียวครับแม่ลงถูกเขียวไปสองไร่นะแม่เอง ยังไงก็ต้องดูแลพ่อเองด้วยนะไอเย็นแม่พูดถึงกับแม่จะทิ้งผมไปแล้วอย่างนั้นหลหร <c oughs> ข้าไม่ไหวแล้วจริงๆไอเย็นข้าไอใจขัดๆยังไงก็ไม่รู้ี่ <c oughs> หาหมอนะคะบป้าเดี๋ยวฝนจะกลับไปให้พ่อเนี่ยขับรถมารับป้าี่หาหมอคะ่ะป้ารอเดี๋ยวนะ <c oughs> อย่าเลยนงฝนมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละ่ะมีประโยชน์สิจ๊ะป้า ป้าจะต้องมีชมีวิตอยู่รอพี่ยิ่งนะป้าต้องเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะต้องคุ้มครองชีวิตพี่ยิ่งอยู่สักวันหนึ่งพี่ยิ่งจะต้องกลับมากราบเท้าลุงกับป้านะจ๊ะจริงหรอก <c oughs> พอของไอ้เย็นมันเชื่อยอย่างเองนี่แหละว่าไอ้ยิ่งมันยังไม่ตายแต่ข้าไม่เชื่อเพราะข้าฝันเห็นไอ้ยิย่งบ่อยๆข้าฝันว่าไอ้ยิ่งไปไหนตอนไหนกับข้า เหมือนกับว่ามันอยู่อีกพพหนึ่งไปแล้วเพราะฉะ น, นั้นกาจะต้องไปหาไอ้ยิ่งไปอยู่กับไอ้ยิ่งเ <C oughs> ย็นดูแลป้าดีๆนะเดี๋ยวใจะให้พ่อของพี่เอารถมารับป้าไปหาหมอครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมานะป้าจ๊ะอดทนอาไว้นะป้าต้องสู้นะคะค <C oughs> าเ ไ, ไหวแล้วจริง ไอยิมปรลับคาไปแล้ว <c oughs> ไอ้อิงลูคาปหลับคาไปแล้วแม่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเย็นบ่ย่เป็นไงบ้างอ่ะได้ยินเสียงทั้งไอทั้งร้องไห้เป็นไรไปอ่ะฮะพอ่อนีคุณมาแล้วเข้าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ให้ใจขัดแล้วแลว้วขพอ่อเฮ้ยแม่เอง ข้าจะพาเองไปโรงพยาบาลอยู่นี้แหละพ่อเองจะพาข้าไปยังไงละ่ะแล้วไม่มีรถนี่นะไม่เป็นไรข้าจะแบกเองไปเอง <c oughs> เหมือนตอนสาวๆที่แม่เองไม่สบายไง <c oughs> ตอนนั้นนะข้ายังแบกแม่เองไปโรงหมอบได้เลยนี่หว่าแล้วมาตอนนี้ทําไมข้าจะทําไม่ได้ละ่ะ <c oughs> ขอบใจมากนะพ่อเองแต่ไม่ต้องหรอกอย่าเพยายามเลยมามามา <c oughs> ข้าหนักออกอย่างนี้เอ็งก็แก่แล้วเอ็งไม่มีแรงแบกข้าแล้วล่ะต้องไดส้สิแม่เอ้ยออยู่เฉยๆนะเออะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะพ่อเองแม่เอ็งแม่เอ็เองต้องไม่เป็นไรนะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะพ่อเองแม่เอ็งเอ็งต้องไม่เป็นไรนะ สบายใจเถอพ่อเองอย่าคิดมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกพระเจ้าทรงเปิดทางให้ข้าไปเจอไอ้ยิงแล้วละ่ะไม่นะไอ้ยิงมันยังไม่ตายนะแม่อเอ้ย <c oughs> ไมทิ้งหรอกพ่อเองจะหลอกตัวเองว่าไอ้ยิงยังไม่ตายก็จงหลอกตัวเองต่อไปเถอะแต่สำหรับข้าแล้วข้าไม่หลอกตัวเองเด็ดขาด ข้ารู้มาตลอดเวลาว่าไอ้ยิ่งมันตายไปแล้วข้าฝันเห็นมันทุกคืนเลยนะพ่อเอง <c oughs> ที่แม่เองฝันเห็นไอ้ยิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ยิ่งมันตายไปแล้วหรอกนะมันจะต้องยังไม่ตายอย่างแน่นอนเชื่อข้าสิ <c oughs> แต่ข้าเชื่อของข้าอย่างนี้นี่นะโ <c oughs> <c oughs> อ่แม่เอ้ยไอเอ็นเอ้ยครับแม่ ข้าจากโลกนี้ไปแล้วเองต้องดูแลพ่อเองแทนข้าด้วยละ่ะเหยียดทำให้พ่อเองต้องน้ําตาตกพ่อเองรู้ไหมครับแม่ผมให้สัญญาครับดีมากลูกแม่ครับผมจะพาแม่ไปหาหมอเองครับ <c oughs> อย่าพยายามเลยไอ้เยนผมแบบแม่ไหวนะครับข้าเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเป็นยังไง แบกไปถึงมือหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าแม่ครับ <c oughs> ดูแลกันดีๆล่ะแม่ <c oughs> พ่อเองที่ผ่านมาถ้าข้าทำอะไรบกพร่องต่อหน้าที่เมียและพ่อของพ่อแล้วก็ยกโทษให้ข้าด้วยนะข้ายังรักพ่อเองเหมือนเดิมชาติหน้าจะามีจริง ข้าภาวนาขอเกิดมาเป็นเมียพ่อเองอีกนะ <c oughs> แม่ข้ <c oughs> <c oughs> าก็รักแม่เองเหลือเกินนะข้าต้องไปแล้วละ่ะพระเจ้าส่งนำทางไปหาลูกด้วยเถอะพระเจ้าส่งนำทางด้วย <c oughs> แม่พึ่งสิแม่แม่แม่เองของข้าแม่เองเอ้เยจ่า ก, กลับไ ป, ไปแล้ว <c oughs>